198แสงสว่างนวลของจันทร์ครึ่งดวงที่ปราศจากเมฆบังช่วยส่องให้เห็นหุนทางและภูมิประเทศรอบด้านได้อย่างกระจ่างชัดพอสมควรทั้งคู่เดินผ่านเข้ามาใต้ร่มเงาของทองกว้าวที่กำลังโปรยดอกสีแดงร่วงหล่นลงมาอยู่เป็นระยะลมดึกโชยพลิ้วมาผักแผวกระทบใบพฤก พลิกไหวรับแสงเดือนเกิดเป็นประกายเลื่อมราวกับเงินยวงสรรพสิ่งแวดล้อมรอบตัวในขณะนี้ราวกับว่าทั้งสองกำลังเดินเคียงคลอกันอยู่ในแมนสวงกลิ่นหอมลึกลับของบุพชาติบางชนิดยิ่งแพร่ซ่านมากระทบคาณประสาททำให้ดื่มดำแช่มชื่นขจัดความอิดโรยอ่อนเปรีย้ยและความง่วงเหงาหานอนไปหมดสิน้น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 ดารินสั่นศีรษะน้อยๆยิ้มรื่น อ, อยู่เช่นนั้นไม่รู้เอ้ยไม่ทราบค่ะนี่นะครับถ้าอยู่บนแผ่นดินของมนุษย์โลกเนี่ยเขาเรียกว่าดอกทองกวาวครับแต่ถ้าอยู่ในสุขาวดีแดนสวรรค์ก็จะเรียกว่าดอกปริชาตครับดารินเลิกคิ้วนิดนึงงั้นเหรอก็แปลกดีนี่ ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนที่มีชีวิตอยู่แต่ในป่าอย่างนายพรานของฉันจะรู้เรื่องราวในวรรณคดีได้ดีถึงขนาดนี้แระสาราที่เราได้พบกันเมื่อกี้ยกๆเนี่ยก็มีนามว่าสาราปาริชาตินะครับอุทยานสวนขวัญแห่งราชฐานมรกรนรครแห่งนี้ก็มีนามเรียกขานว่าอุทยานสุขขาวดี เพราะฉะนั้นดอกทองกวาวดอกนี้ก็ควรจะเป็นดอกปาริชาติอะทัดหูวะครับคุณหญิงจะได้ระลึกถึงชาติแต่ปางก่อนของเราได้กระจ่างเด่นชัดยิ่งขึ้นครับกล่าวพลางรบพินก็บรรจงทัดดอกไม้นั้นลงที่มุมผมเหนือซอกหูของหลอนอย่างทนุถนอมดารินหัวเราะน้อยๆเอามือแตะที่ดอกไม้นั้น นี่ระพินถึงไม่ได้กลิ่นดอกปริชาติและไม่ได้มาที่อุทยานสุขาวดีแห่ง น, นี้เนะี่ยฉันก็ระลึกชาติได้มาก่อนหน้านี้ซะอีกแล้วความจริงดอกไม้ชนิดนี้งามก็จริงแต่มันไม่ได้มีกลิ่นอย่างที่เขาว่ากันสักหน่อยกลิ่นหอมของดอกไม้ที่เราอบอวลชื่นใจอยู่ในขณะนี้เนะี่ยเป็นกลิ่นดอกไม้ชนิดอื่นต่างหากฉันไม่ต้องการเป็นวาสิทธถีและคุณก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นกามอันนี้เพราะคนคู่นั้นไม่เคยได้สมหวังในความรักเลยไม่ว่าจะกี่ชาติกี่ภพจนกระทั่งในที่สุดต่างคนก็ต่างไปเกิดเป็นดวงดาวห่างไกลกันหลายพันปีแสงได้แต่สงกระแสสนธนาโตอตอบคุยกันในแต่ละประโยคก็กินเวลานานเป็นโกรดแสนปีสนุกที่ไหนละ่ะเรามีสถานภาพอันเป็นตัวของเราเองกันอยู่แล้วฉันคือฉัน และคุณก็คือคุณเดินต่อสิคะทุนหัวนี่อย่ามาลูกไม้แกล้งทวงเวลาหยุดแถวแถวนี้เลยไะเดี๋ยวก็สว่างซะเท่านั้นอะ่ะเอาครับเดินก็เดินครับคุณหญิงก็นำไปสิผมเดินเองไม่ถูกหรอกรู้สึกว่าถนนหนทางในอุทยานแห่งนีนะ้มันแยกแยกไปหลายเส้นทางล้วยกันมานี่ตามมาซะโดยดีห่ามอยู่ที่ไหนอีกง่ะ ลอนคว้าข้อมือเขาแล้วออกเดินนำไปตามถนนโรยกรวดที่ผ่านมาก่อนทันทีแต่เป็นการเดินสนทนากันไปตามปกติไม่ได้ถึงการรีบร้อนอะไรนะคุณหญิงบอกว่าสางปลาทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพรับรองพวกคุณหญิงอยู่ที่ปราศาสตร์หลังเหรอครับใช่ดารินหัวเราะ อ, อีกอย่างขันขันเจ้าสางปลาขี้ลิงของเมนั่นแหละโอ้ยตอนนี้เขาใหญ่โตอักรฐานมากทีเดียว เงซายน่ะเลี้ยงดูปูนบําเน็จสักให้กับเขาไม่ผิดคําพูดที่ให้การรับรองกับพวกเราไว้เลยขณะนี้ก็ถูกลุงอินชวนให้นอนพักร่วมอยู่กับพวกเราทุกคนสางปาจะต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่จะต้องดีใจมากละเมื่อมองเห็นคุณเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสำหรับพวกเราทุกคนเลยเพียงแต่ว่าดูมีราศีขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้นกว่าเดิมนั้นแหละอืมก็แปลว่าเมตัดสินใจได้ถูกละ ที่ยอมปล่อยส่างปลาให้แงซ้ายเลี้ยงดูอยู่ที่นี่เอ๊ะนี่พูดถึงเมคุณหญิงยังไม่ให้รายละเอียดอะไรกับผมเลยนะครับเบ่อคลอดแล้วหรือยังเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายจ้ำมัม่มน่ารักมากทีเดียวฉันเป็นคนทำคลอดให้ด้วยด้วยมือเองอะ่ะปลอดภัยเรียบร้อยดีทั้งแม่และเด็กพอรู้ว่าเป็นลูกชายทั้งเมย์และชายยันก็ให้ชื่อตามที่สัญญากับคุณไว้ทันทีว่าไพร์วัน ตามชื่อสกุลของคุณนี่ถ้าคุณกลับไปถึงเมืองแล้วนะ่ะสองคนผัวเมียนั้นต้องให้คุณเป็นพ่ออุปถัมภ์หรือเป็นพ่อโยกของลูกชายเขาแน่ตามที่คุณสัญญากับเมยไว้เพราะคุณเป็นคนที่ขัดขวางไว้ทุกอย่างที่จะแม่เมทําแทงลูกของเขาเองระหว่างที่เดินป่ามาในครั้งนั้นหวังว่าคงจำได้นะหรือว่าตอนนี้ลืมไปซะแล้วโอ้ผมดีใจด้วยจริงๆครับที่เขาได้ลูกผู้ชายอะ่ะ มีหน้าซ้ําคุณหญิงยังมีโอกาสทำคลอดให้ด้วยแล้วผมก็ยินดีที่จะเป็นพ่อโยกของเด็กอย่างเต็มใจทีเดียวคุณหญิงเองก็ต้องเป็นแม่โยกของเด็กด้วยนะแน่นอนฉันน่ะเป็นแม่แม่โยกเขามาก่อนคุณแล้วด้วยซ้ําแล้วก็มีความรู้สึกอย่างงั้นจริงๆลูกของชา ย, ยันกัมเมก็เหมือนเป็นลูกของชันนั่นแหละขณะนั้นเอง ดารินก็มีอาการเหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึง่งกระตุกแขนเขาเบาๆลูกหลน่นพึมพำออกมาเบาๆเขาหน้าเริ่มสอแววกังวลผิดไปจนระพินจับสังเกตเห็นได้มีอะไรหรือครับคุณหญิงนี่ฉันลืมไปซะอย่างสนิทเนี่ยพอพูดถึงคำว่าลูกก็เลยนึกขึ้นมาได้ระพิน ฉันถามอะไรคุณสักอย่างฮะโมแต่ดีใจพบหน้าหน้าคุณอะเลยทำให้ฉันลืมเขาไปซะแล้วชั่วขณะเพื่อจะมานึกได้เดี๋ยวนี้เองไม่รู้ป่านนี้เขาจะเป็นไงมั่งอะ่ะเขารักฉันมีความผูกพันกับฉันเป็นพิเศษจนยากที่จะหาใครมาเสมอเหมือนได้ในการที่ฉันติดตามคุณมาครั้งนี้ถ้าไม่ได้เขานะ่ะฉันตายไปหลายครั้งละประโยคหลังหล่อนพูดเร็วปลื้ น้ำเสียงร้อนรนจริงจังขึ้นจอมพรานขมวดคิ้วถามมาเสียงต่ำๆว่าคุณหญิงพูดชัดเจนหน่อยสินี่คุณหญิงหมายถึงใครหรืออะไรเนี่ยผมผมงงไปหมดอ่ะคืองี้ระพินมีช้างป่าขนาดใหญ่มากอยู่ตัวหนึง่งเป็นช้างเกรเรหางด้วนชาวป่าในละแวกที่คุณทํามาหางกินอยู่นะ่ะเขาบอกกันเป็นเสียงเดียวว่า ช้างตัวนั้นเป็นช้างของคุณใช่ไหมกระพินซอยเปลือกตา ท, ทีสีหน้ายังไม่คลายความงุนงงจากคำพูดและลักษณะท่าทีของดารินช้างป่าหางด้วนเขาทวนคำช้าๆเอก็ถ้าเป็นเจ้าช้างเกะกะเกะเร ที่หากินอยู่ตั้งแต่ละแวกหนองน้ําแห้งไปจนกระทั่งสุดเขตของป่านอกทั้งหลายก็เห็นจะมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นแหละครับคือไอ้ด้วนทําไมเหรอครับคุณหญิงใช่ก็เจ้าด้วนนั่นแหละช้างของกุลหรือเปล่าแล้วพินทําหน้างงๆแล้วหัวเราะออกมาเบาๆไม่ใช่ช้างของผมหรือว่าผมเลี้ยงไว้หรอกครับมันเป็นช้างป่าแท้ๆนะครับเป็นนักเลงโตจากละแวกหนองน้าแห้ง ยันห้วยเสือร้องยันลมช้างมันเกกาก็จริงครับแต่ไม่เคยปรากฏว่าจะทำร้ายใครถึงสาหัสหรือตายเลยอย่างมากก็แค่หากไร้หรือบ้านหรือกวดไล่ชาวป่าแถวๆนั้นเล่นมั่งเท่านั้นแหละผมก็เลยปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้คิดจะไปฆ่าแกงอะไรมันแล้วก็สั่งชาวป่าแถบนั้นไว้ทุกคนว่าอย่าไปทําอะไรกับมันเข้าเพราะสันดานมันชอบวางโตไปงั้นเองไม่ถึงก็เป็นอันตรายกับใครมาก่อน มาคราวนี้ในระยะเส้นทางต้นๆผมก็ยังพบมันเลยที่แรกมันโผล่ออกมาขวางหน้าคณะเดินทางของเราไว้ท่าทางวางโ ต, โตเต็มที่อ่ะแต่พอเห็นหน้าผมมันก็เปิดอ้าวหนีลงข้างทางไปเลยทำไมหรอครับคุณหญิงมีอะไรกนนั่นแหละระพินช้างหางด้วนตัวนั้นแหละชาวป่าทุกแห่งรู้กันทั้งนั้นแหละว่าเป็นช้างของคุณมันมีบุญคุณต่อฉันมากรู้ไหม มันร่วมทางกับฉันมาตลอดแล้วก็ช่วยฉันมาสารพัดอย่างชนิดแสนรู้ยิ่งกว่าคนบางคนสอีกนี่ถ้าไม่ได้มันถ้าไม่ได้มันมาแล้วก็คณะเดินทางเราจะลำบากมากทีเดียวมันเดินนำทางให้แก่ฉันแบบมัคุเทศนำทางเลยใช่นะเอามาส่งให้จนถึงเขตของนรกดำจนมันไม่สามารถจะติดตามมาด้วยอีกได้แล้วเราก็แยกทางกันตรงนั้นก่อนที่ฉันจะได้พบก ว, วายาแห่งนครลิง มันยังรู้จิตใจฉันไปหมดทุกอย่างะจงรักภักดีด้วยอย่างที่สุดเลยแล้วหล่อนก็เล่าคร่าวๆให้ระพินฟังเกี่ยวกับความผูกพันในระหว่างหล่อนและเจ้าด้วนจากวันแรกที่พบกันและวันสุดท้ายที่เจ้าด้วนจำต้องปลีตัวแยกทางไปเพราะมันไม่อาจที่จะเดินทางร่วมมาด้วยได้นึงจากขอบเขตความอาถรรพ์ของป่าสกัดกั้นไว ระพินฟังอย่างชะงนแล้วพยักหน้าช้าๆคุณหญิงมีบุญบารมีมากลครับที่สามารถเอาช้างป่าตัวนั้นมาเป็นบริวารได้ผมก็นึกไม่ถึงนะครับว่ามันจะแสนรู้จงรักภักดีกับคุณหญิงถึงเพียงนี้ไอ้ที่ผมละเว้นชีวิตมันไว้แล้วห้ามแมใครทำอันตรายก็เพราะเห็นว่ามันนไม่เคยเป็นพิษร้ายแรงต่อใครเลยก็ไม่คิดเหมือนกัน ว่าโดยกุศลแหการใช้ไว้ชีวิตให้แก่มันมันจะกลับมาทําคุณประโยชน์อย่างมหาศาลให้แกคณะของคุณหญิงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ตัวคุณหญิงเองจนถึงกับเกิดความผูกพันกันอย่างแน่นแฟนถึงขนาดนี้แล้วทาไมคุณหญิงเป็นห่วงอะไรหรอครับเนี่ยก็ฉันกลัวเขาจะได้รับอันตรายภายหลังจากที่แยกจากฝ่ายฉันแล้วฉันเป็นห่วงเขาที่สุดเลยนะระพิน ยอมพรานหัวเราะ อ, อีกครั้งสายหน้า <c oughs> อย่า ก, กังวลไปเลยครับคุณหญิงป่านะ่ะเป็นอาณาจักรของไอ้ด้วนอยู่แล้วอ่ะแล้วมันก็เป็นช้างใหญ่มีความฉลาดเกินตัวมันเอาตัวรอดได้เสมอล่ะผมกล้ารับรองได้ครับคุณหญิงในเที่ยวขากลับภายหลังจากพลนรกดําออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องพบกับเจ้าด้วนตลางทางไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งแน่แน่ไม่ต้องห่วงแล้วครับสบายใจได้เลยนี่ แล้วคุณมีความเข้าใจบ้างไหมนี่ว่าฉันน่ะรักเขาเหมือนลูกหรือต่อให้มีลูกของตัวเองแล้วฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าจะรักลูกของตัวเองได้เท่ากับเขาหรือเปล่าคุณเข้าใจไหมระพินระพินผิวปากออกมาเบาๆแล้วหัวรอ ก, กากออกมาเป็นครั้งแรกเอาละครับเอาละครับผมเข้าใจแล้วคุณหญิงผมเข้าใจแล้วว่ามีความรักผูกพันนั่นแฟนอยู่กับเจ้าด้วนยังไงมั่ง เอา้าแล้วนี่คุณหญิงต้องการให้ผมทําไงอ่ะเนี่ย <c oughs> คุณต้องสัญญากับฉันก่อนว่าถ้าเรากลับไปสู่โลกภายนอกหรือกลับบ้านเราเรียบร้อยแล้วอ่ะคุณต้องให้ฉันเอาเจ้าด้วนไปอยู่ด้วยอยู่ที่หนองน้ำแห้งนั่นแหละไม่ต้องให้เขาท่องเที่ยวแพนจรไปในป่าอย่างนั้นอีกแล้วถ้าพบกันระหว่างทางเที่ยวขากลับนี่ก็ยิ่งวิเศษสุดฉันจะได้เอาเขาไปด้วยเลยแต่ถ้าไม่พบคุณนั่นแหละมีหน้าที่ต้องไปตามด้วนมาให้ได้ คราวนี้สุภาพบุรุษไพรหัวร่องอหายน้ำเสียงและสีหน้าของแม่ดอกฟ้าดารินของเขาดูจริงจังเหลือเกินเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หล่อนเข้ามาตบไหล่เขาดังเพี้ะกำชัดมาอีกด้วยนี่นี่นี่ฉันพูดจริงนะไม่ใช่พูดเล่นอย่าเห็นเรื่องไร้สาระไปไม่มีเจ้าด้วนก็ไม่มีฉันจะเหลือชีวิตให้มาพบเห็นคุณในคืนนี้หรอกรู้ไว้ซะด้วยคุณน่ะต้องรับปากกับฉันระพินยังคงหัวร่ออยู่เช่นนั้น แต่พยักหน้ายอมรับว่าตกลงครับคุณหญิงผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าด้วนให้คุณหญิงได้สบายใจที่สุดแต่เนี่ยผมก็มีข้อแนะนาคุณหญิงอยู่อย่างหนึง่งไม่ทราบว่าคุณหญิงจะเชื่อผมไหมข้อแนะนำอะไรจ๊ะหล่อนเอียงหน้ามองดูเขาคุณหญิงครับไอวิสัยของไอ้ด้วนหรือช้างป่าทุกตัว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 แล้วทางนั้นจะทำไงอะ่ะปล่อยให้มันอยู่ตามระษาของมันในป่าอย่างเดิมเหรอฉันยอมไม่ได้หรอกและฉันก็มีความเชื่อมั่นด้วยว่ามันจะต้องอยากอยู่ใกล้ชิดกับฉันอยู่เสมอนี่คุณไม่เชื่อเหรอว่ามันรักฉันมากมากที่สุดเลยอะ่ะผมเชื่อครับในข้อ น, นั้นน่ะเชื่ อ, อยังไม่มีอะไรสงสัยในพฤติการต่างๆที่คุณหญิงได้เล่าไม้ฟังแล้วอะ่ะพ่านใหญ่พูดอย่างปลอบโยน สีหน้ายังกราดไปด้วยรอยยิ้มกึ่งขบขันเอ็นดูในความไร้เดียงสาของหล่อนในเรื่องนี้เอางี้ละกันครับคุณหญิงผมมีทางออกที่น่าจะเหมาะสมที่สุดหญิงอย่างนี้คือในเที่ยวขากลับนี่ถ้าเราพบเจ้าด้วนระหว่างทางซึ่งผมก็เชื่อว่ามันคงจะคอยวนเวียนดักพบคุณหญิงแน่ๆละ่ะมันก็คงจะตามหลังคุณหญิงต้อยตอยไปเรื่อยๆนั่นแหละ จนกระทั่งถึงหนองน้ําแห้งซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณหญิงเองที่จะทํำยังไงก็ได้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจไว้วางใจแก่มันว่าแม้จะเป็นชมรมมนุษย์หมู่บ้านหนองน้ําแห้งก็จะเป็นอนณาเขตที่มันสามารถเข้าไปเดินท่องเที่ยวหากินอยู่ได้ตามใจปรารถนาของมันอยู่โดยอยู่ในขอบเขตว่ามันจะต้องไม่ไปทําเกะกะเกเรรังแกชาวบ้านเขา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 หรนึกจะไปเมื่อไหร่ก็ไปถ้าทำแบบนี้ได้ก็เป็นความสุขที่สุดของตัวมันเองแล้วชาวหนองชาวบ้านหนองน้ำแห้งทั้งหลายโดยเราไม่ต้องไปบังคับให้มันต้องมาเป็นช่างบ้านตกปลอกผูกมัดพันธนาการจองจำมันไว้ดารินเอามือเคาะหน้าผากคิดจ้องหน้าเขาอย่างยังไม่สู้จะแน่ใจนักต่อคคำแนะนำของเขาถามมาเสียงอ่อยๆว่า เางั้นเหรอระพินก็เอางี้แะครับนี่แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วคุณไม่คิดว่ามันจะอยู่กับพวกเราพวกมนุษย์ที่หนองน้ำแห้งตลอดไปเหมือนช่างบ้านหรอกเหรอแม้ว่าเราจะไม่ต้องล่ามหรือผูกมัดมันไว้ก็ตามอะระพินสั่นศีรษะชา้าๆเอานิ้วเขี้ย ก, ก้ะแม่ดอกฟ้าของเขาเบาๆ คุณหญิงครับมันจะไม่อยู่กับชมรมมนุษย์ตลอดไปอย่างช่างบ้านหรอกครับเพราะมันเป็นช้างป่าโดยกําเนิดชั่วขณะครั้งคราวเท่านั้นที่มันอาจจะป้วนเปี้ยนอยู่ ใ, ใกล้ๆพวกเราพอถึงเวลาของมันมันก็จะต้องบุก ป, ป่าท่องไพรของมันไปตามเรื่องและถ้ามันคิดถึงพวกเราเมื่อไหร่มันก็จะย้อนกลับมาคุณหญิงจะต้องเตรียมทําใจในข้อนี้ให้ได้สะก่อนนะครับ เมื่อมันมาเราก็ต้อนรับมันเมื่อมันจะไปก็อย่าไปขัดขวางนั่นคือวิธีที่ถูกต้องและเป็นความพอใจอย่างที่สุดเชื่อผมเถะครับผมนรู้ธรรมชาติของสัตว์ป่าดีเอาว่ามันสามารถจะเข้าไปอยู่ร่วมกับพวกเราในย่านชุมชนได้ชั่วครั้งชั่วคราวนี้ก็นับว่าประเสริฐสุดแล้วส่วนเรื่องที่ว่าใครจะไปทำทำร้ายทาอันตรายต่อมันในระหว่างท่องเที่ยวในป่า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 หรือเขียนเครื่องหมายไว้ตามตัวของมันเพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่ายๆก็ได้ครับเห็นคุณหญิงบอกว่าขณะนี้ก็ทำกระดึงผูกคอมันแล้วไม่ใช่เหรอครับดารินพยักหน้าอืมใช่ตอนที่มันเดินทางร่วมทุกข์ยากผจนภัยอยู่กับพวกเรากลางป่านะทากลางค่าศึกศัตรูอันเป็นช่างผีสิงของมันไรฉันก็ได้สั่งให้ขยิงกับลุงอินช่วยกันทากระดึงผูกคอมันไว เพื่อจะได้ยินเสียงเวลามันเคลื่อนไหวและเป็นสัญญาณแม่เราหลงผิดนอกจากนั้นฉันก็ยังอัญเชิญหลวงพ่อทวดคล้องคอมันไว้ด้วยแต่มันก็ฉลาดมากนะไม่เคยกระชากแกะเอากระดึงที่พวกเราผูกคอหรือพระพุทธคุณออกจากคอมันเลยละ่ะและในเวลาที่มันต้องการจะเดินเงียบๆ เ, เดินไม่ใเกิดเสียงมันก็จะใช้งวงมาจับกระดึงไว้ไม่ให้สั่นกระทบกันเนี่ย มันฉลาดเกินช่างสามัญธรรมดามากทีเดียวฉันว่ามันฉลาดกว่าขยินซะอีกนะครับผมรู้ครับว่าไอ้ด้วนน่ฉลาดแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะฉลาดเท่าๆกับคนที่มีความคิดอย่างที่คุณหญิงเล่ามาให้ฟังว่าไงล่ะครับที่ผมแนะนาคุณหญิงมันเนี่ยดารินพยักหน้ายิม้มเอามือโอบกอดเอวรัาตกลงค่ะระพินฉันจะทาตามที่คุณบอกในทุกอย่าง แต่ถ้าระวังทางขากลับเราไม่ได้พบมันคุณจะว่าไงคุณหญิงครับผมขอรับรองครับว่าเมื่อเดินทางไปถึงหนองน้ำแห้งแล้วและยังไม่เห็นเงาของเจ้าด้วนผมก็มีภารกิจอยู่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นภารกิจสุดท้ายคือไปตามลูกชายให้คุณหญิงเอาตัวมันให้คุณหญิงได้ชื่นชมให้ได้ไอ้ด้ว น, นตามันไม่ยากหรอกครับ ง่ายกว่ามาตามคุณชายอนุชาในครั้งนั้นเรื่องมาตามเครื่องบีห้าสิบสองในครั้งนี้หลายร้อยเท่านะักขนาดไม่ต้องไปตามที่ไหนเลยปีหนึ่งมันก็เข้ามาที่หนองน้ําแห้งอย่างน้อยก็สองครั้งทุกปีเป็นประจำํำแล้วเขาก็ก้มลงไปกระซิบที่ริมหูหล่อนถามเบาๆว่าว่าแต่มีลูกชายเป็นช่างอยู่ก่อนแล้วตัวหนึ่ง ยังคิดที่จะมีลูกชายหรือลูกสาวอีกบ้างหรือเปล่าล่ะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหล่อนเอาสีสะชนปลายคางเขาเบาๆแล้วหยิกแปลบเข้ามาที่สีข้างบอกในเสียงเจือแววกระดากว่ามมันอยู่ที่คุณต่างหากเราแต่บอกตามตรงนะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณจะมีความสามารถหรือเปล่ามีไหมคะระพินไอ้นั่นจีนะ ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่เคยพยายามสักทีเอาจริงเอาจังเขา ก, กลัวจะเหลียวเปล่าเหมือนกันนี่คุณอย่าเสียชาติเกิดนะคุณแต่คุณทำไม่ได้จริงๆฉันก็จะเอาตัวคุณนั่นแหละมาทำเป็นลูกของฉันซะเลยจําไว้ปราสาทอันเป็นที่พักของคณะฝ่ายดารินบัดนี้มองเห็นสว่างวอมแวมอยู่ด้วยแสงอัด จ, จะกลับ ชวาลาที่ห้อยประดับอยู่ตามราวระเบียงและคบซึ่งปักอยู่ตามผนังมีเหล่าทหารรักษาการยืนประจำอยู่ตามจุดต่างๆและเกรยอยู่ไปมาดารินชี้ให้รพินดูภายหลังจากเดินคลอกันลับเงาต้นอโศกมุมถนนออกมาระยะมันห่างออกไปแค่ห้าิบเมตรเท่านั้นนั่นไงถึงละหลอนบอกอย่างยินดี กระพินจ้องฝ่าแสงเดือนสลัวเข้าไปอย่างพินิษ์มีทหารแล้วก็ชาวพนักงานอยู่เวรยามด้วยตอนคุณหญิงลอบออกมาที่ศาลาปริชาติพวกนั้นรู้หรือเปล่าเชื่อว่าพวกเขาคงจะเห็นนะเพราะฉันออกมาพร้อมกับนางข้าหลวงที่ชื่อ น, นิลยาคุณไม่ต้องห่วงหรอกกระพินถึงแม้คุณจะเดินเข้าไปพร้อมกับฉันก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ทาให้พวกทหารยามเหล่านั้น รู้สึกว่ามีอาการเป็นปฏิปักษ์หรือขัดขวางยังไงหรอกและยิ่งถ้เห็นหน้าถนัดฉันว่าพวกเขาก็จำคุณได้น่ะชาวมรกฏนะครคนไหนมั่งล่ะที่ไม่รู้จักหน้าระพินไครวันอ่ะอืมไม่ทราบว่าป่านนี้พวกของคุณชายจะตื่นขึ้นมาแล้วหรือยังนะเพราะคุณหญิงออกมานานแล้ะประโยคสุดท้ายระพินพืมพัฉันเชื่อว่ายังไม่มีใครพวกเราตื่น ถ้ามีใครตื่นได้รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็พบว่าฉันไม่ได้นอนร่วมอยู่ในหมู่คณะด้วยโอ้ยป่านี้คงลุกขึ้นมาเดินพล่านแล้วนี่ก็เห็นสงบเงียบกันดีอะ ว, ว่าแล้วหล่อนก็จูงมือเขานําเดินตรงเข้าไปอย่างสงบพอก้าวขึ้นเหยียบบันไดหินนิริยาผู้ดูเหมือนจะเฝ้ารออยู่ก่อนแล้วในเงามืดของเสาหินกลมใหญ่ก็โผล่กออกมาอุทานออกมาว่า นายหญิงพร้อมกันก็แลไปทางพรานใหญ่ระพินที่ก้าวเดินคู่กันขึ้นมาด้วยนางจ้องเขาตะลึงพรึงพร่งเพลิดเพราะคาดไม่ถึงมาก่อนว่าจะได้เห็นใครคนหนึ่งเดินมาพร้อมกันนายหญิงด้วยซึ่งนางก็เห็นหน้าเขาได้ถนัดและจําได้ในฉับพลันระพินยิ้มด้วยดารินยกมือแตะริมฝีปากตรงเข้าไปจับไหล่ทั้งสองของนางกำนันผู้นั้นไว้กระซิบ อย่าเออะไปนิรยาฉันพบกับพรานใหญ่ระพินโดยบังเอิญในอุทยานะ่ะเขามาถึงในราชฐานแล้วเมื่อกลางดึกที่แล้วมานี่เองและกำลังจะมาหาพวกเราทุกคนที่นี่ว่าแต่พวกนายใหญ่ไม่ใครตื่นขึ้นมามั่งแล้วหรือยังนิรยาหน้าตื่นมีอาการแปลกใจและตื่นเต้นขีดสุดที่มองเห็นระพินมาพร้อมกับนายหญิงด้วยเช่นนั้นนางหันไปย่อตัวทาความเคารพระพิน แล้วบอกกับนายหญิงว่ายังเลยค่ะพวกของนายใหญ่ยังไม่มีใครตื่นขึ้นมาทั้งสิ้นทุกคนกำลังหลับไหลแล้วแล้วนี่นายหญิงเอาละเอาละเงียบๆไว้ไม่ต้องกระตกกระตากวุ่วายยังไงทั้งนั้นะนะหล่อนบอกมาโดยเร็วแล้วหันมาพยักหน้าการพินคว้าแขนได้ก็ลากให้เดินตามเข้าไปยังห้องถงใหญ่อันสว่างเรืองรองอยู่ด้วยแสงไฟประดับ ซึ่งใช้เป็นที่พักนอนของคณะทั้งหมดพากันมานอนรวมกลุ่มกันอยู่หยุดชะงักอยู่หน้าปร ะ, ประตูปากทางเข้าซึ่งกั้นไว้ด้วยวิสูตรบางๆแล้วหล่อนก็กระซิบกับเขานี่เอาที่คุณคุณอย่าเพิ่งเดินเข้าไปในนั้นพร้อมกับฉันเดี๋ยวนี้นะให้ฉันเข้าไปปลุกพวกเขาขึ้นมาพร้อมๆกันทุกคนซะก่อนเอาเป็นว่าคุณยืนรอยอยู่ตรงนี้แหละเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากฉัน คุยก็เดินเข้าไปยืนอยู่กันนิริยาตรงนี้ก่อนแล้วกันฉันไม่ต้องการพวกเขาตื่นขึ้นมาในสภาพงวงเงียแล้วก็มองเห็นคุณแต่ต้องการให้เขาได้มีอาการปรับสติอารมณ์กันให้พร้อมซะก่อนเข้าใจไหมกระพินยิน้มก้มศีรษะลงครับผมเข้าใจครับดารินสูดลมหายใจลึกอย่างอิ่มเอิบใจตกไหลาเาบาๆอีกครั้ง หันมาสั่งให้นิรยายืนเป็นเพื่อนรับพินยอยู่ก่อนตรงปากทางเข้านั้นแล้วตนเองก้าวเข้าไปในห้องถงใหญ่ที่บรรดาพักพวกทุกคนกำลังนอนเรียงรายกันอย่างเป็นสุขในขณะ น, นี้ทันทีบุคคลแรกที่ดารินเคลื่อนเข้าไปทางด้านปลายเท้าก็คือพี่ชายใหญ่ใช้มือจับข้อเท้าเขาเขย่าสันปลุกเบา พร้อมกับเรียกในน้ำเสียงปกติเพื่อไม่เกิดอาการตกใจเฉฐาลืมตาพงโศศีสะขึ้นพอมองเห็นน้องสาวมาสุดคุกเข่าจับข้อเท้าสั่นปลุกอยู่ก็ทักออกมาว่าอ่ะน้อยทำไมเหรอมีไรพลางก็ดึงกายลุกขึ้นนั่งทันทีจ้องหน้าแต่ก็ไม่เห็นหน้าการผิดสังเกตอันสอบไปในทางร้ายใดๆจากสีหน้าอาการของน้องสาว นอกจากดวงตาสายยเป็นประกายและคาวหน้าที่แสดงว่าได้ตื่นอยู่ก่อนนานแล้วเสียงทักของเชิดถาและการเคลื่อนไหวตัวลุกขึ้นนั่นเองทำให้อนุชาผู้นอนอยู่ใกล้ๆและนอนัยอยู่ก่อนหน้าแล้วตามนิสัยของเขาพลอยลืมตาขึ้นมาถามด้วยเสียงต่ำๆไม่ค้นว่าอะไรกันน้อยนั่นไปไหนมาหรอขอความการุณาลุกขึ้นมาสักเดี๋ยวนะคะพี่ใหญ่ พีกลางโปรจะตกใจอะไรทั้งสิ้นไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรหรอกแต่น้อยมีอะไรจะบอกนิดหน่อยแล้วก็ต้องบอกเดี๋ยวนี้ด้วยค่ะขณะที่พูดเช่นนั้นหล่อนก็เอื้อมมือไปเขย่าที่ชา ย, ยันอีกคนนึงเรียกมาเบาๆว่าชายันชายันตื่นได้แล้วอย่าคีดเซานะตื่นตื่นตื่นชายันลุกพรวดพราดขึ้นมาด้วยอาการงัวงเงีย ยี่ตาพร้อมกับอุทานว่าเฮ้ออะไรกันนี่มีอะไรเหรอขณะเดียวกันก็มองเห็นดารินนั่งอยู่ทางด้านปลายเท้าและเชิฐากับอนุชาก็ลุกขึ้นมานั่งจากท่าที่นอนอยู่ก็ยิ่งสงสัยดารินยังไม่ตอบคําถามใครทั้งสิ้นนอกจากหัวเราะเบาๆอยู่เช่นนั้นแล้วขยับตัวไปทางด้านนานอินเรนยังไม่ทันจะปลุก พรานครูผู้เฒ่าก็ดึงกายขึ้นนั่งช้าๆนายหญิงมีอะไรเหรอทำไมถึงได้มาปลุกพวกเราขึ้นเดี๋ยวนี้ล่ะแกถามขึ้นในทันทีนั้นลุงอินน่นนอนไวดีเหลือเกินหล่อนว่ายิ้มแล้วก็บอกต่อมาว่าเอา้าลุงตื่นมาก็ดีแล้วล่ะช่วยปลุกสางปลาขยินแล้วก็พวกลูกหาบทุกคนขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้ ุพวกเราทุกคนเลยฉันมีข่าวดีที่จะบอกพวกเราทุกคนแล้วก็ต้องบอกเดี๋ยวนี้ด้วยข่าวดีเอ๊ะข่าวดีอะไรเชษฐาชายันและอนุชาร้องถามขึ้นพร้อมกันอย่างงงงงอาการง่วงงัวงเงียสลายไปในทันทีเมื่อได้ยินคาพูดเช่นนั้นของดาริงส่วนนันอินคำเม่นจ้องหน้าหญิงสาวพอหลอนเตือนขึ้นอีกครั้งแกจึงลุกขึ้น เดินไปตะปลูกขยินและส่างปลาต่อจากนั้นก็บอกให้ช่วยกันปลูกนายชวนกับพวกลูกหาบทั้งหลายกันต่อๆไปชั่วไม่กี่อึดใจท่ามกลางความมึนงงของทุกคนทั้งคณะต่างก็ตื่นกันขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดแม้กระทั่งเจ้าส่างปลาผู้ซึ่งอาปากหวอหันหน้ามองคนโน้นทีคนนี้ทีส่วนคนอื่นๆที่ตื่นขึ้นมาภายหลังรวมทั้งขยิน ขยับจะคว้าปืนที่วางอยู่ใ ก, กล้ๆตัวก่อนที่จะหลับไปแต่ดารินยกมือห้ามไว้อย่าอย่าตกใจไม่มีอะไรหรอกไม่มีใครปฏิวัติ ร, รัฐประหารหรือว่าเกิดเรื่องร้ายแรงอะไรสําหรับพวกเราทั้งสิน้นแต่ฉันมีข่าวดีที่จะบอกพวกเราทุกคนในเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยจึงขอปลุกขึ้นมาให้พร้อมหน้าหมดทุกคนเลยลอนบอกบนหัวเราะเบา ใบหน้าปลังไปด้วยสีเลือดพลางตัวเองก็ยืนขึ้นอาการยืนของหล่อนนั่นเองทำให้เฉทฐาชัยยันและอนุชารวมทั้งคนอื่นๆซึ่งจ้องหน้าหล่อนชนิดตาไม่กระพริบพากันลุกขึ้นยืนตามพร้อมกันทั้งหมดซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดารินต้องการอยู่แล้วดีมากยืนยืนยืน อย่ามวัวแต่นั่งหรือนอนกันอยู่อย่างนั้นเลยเอาละ่ะทุกคนตั้งสติสงบจิตใจกันให้ดีนะอย่ามวัวแต่งวงเงียอยวใครยังง่วงไปล้างหน้าล้างตาก่อนก็ได้อะไรกันนี่น้อยอนุชาก้าวเข้ามาจับหล่อนไว้พูดเสียงต่ําๆขณะที่มองหน้าน้องสาวยังฉุดจงหนเหมือนจะพิเคราะห์ให้ทองแท้ตรวจสอบว่าน้องสาวยังมีสติครบถ้วนบริบูรณ์อยู่หรือเปล่า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 ดารินจึงพูดขึ้นด้วยเสียงใสกังวานฟังชัดเจนไปยังทุกคนที่กำลังยืนดาหน้ารายล้อมหลอนอยู่ในขณะนั้นทุกคนฟังนะคะจักรราหรืแอแงซายเขาก็คงจะต้องอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในมรกฎนครนี่แหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่นั่นไม่สำคัญหรอกพรุ่งนี้เราก็คงจะได้รู้เองแต่นี่นะเป็นข่าวดี ขาวพิเศษชะยิ่งกว่าเราจะได้รู้ว่าจาั ก, กรราอยู่ที่ไหนซะอีกนี่ถ้าเธอบอกว่าเมยานีแอบเอาโคตรเพชรเม็ดโตโตมาให้กำนันกับเธอแล้วเธอก็ปลูกพวกเราขึ้นมาเพื่ออวดให้ดูในตอนนี้แล้วก็ฉันจะบีบคอเธอให้ตายคามือไปเดี๋ยวนี้แหละชา ย, ยันบอกมาเสียงต่ำๆจากในลำคอขณะที่ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบตายังไม่เปลี่ยนไปจากน้องสาวคนเล็กของคณะ ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาทุกคนเห็นว่าเป็นจอมยุ่งมากที่สุดยิ่งกว่าขุมเพชรพระอุ ม, มาทั้งขุมซะอีกและแม้ว่าเมยานีริจัการาชจะยกให้กับฉันหรือแจกจ่ายให้กับพวกเราทั้งหมดพวกเราก็คงจะไม่ดีใจเหมือนสิ่งที่ฉันจะอวดให้เห็นเดี๋ยวนี้หล่อนบอกมาอย่างภาคภูมิใจและมีความหมายตามที่พูดนั้นอย่างแท้จริง ขณะที่กล่าวเช่นนั้นดวงตาทั้งคู่ศาสตร์ประกายพราวแช่มชื่นอันพี่ชายทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนับตั้งแต่ออกเดินทางมาด้วยกันเชิดทาวราริธ์ก้าวเข้ามาจับไหล่ทั้งสองของน้องสาวพยักหน้าเอาละน้อยพวกพี่และทุกคนตื่นกันขึ้นมาหมดแล้วและตอนนี้ก็พร้อมที่จะรับฟังข่าวดีของน้อยเดี๋ยวนี้ละ ไหนลองบอกพวกเรามาสิอะไรล่ะที่ว่าเป็นข่าวดีอ่ะไม่ใช่เฉพาะข่าวหรอกนะคะตัวข่าวก็ได้มาปรากฏอยู่ต่อหน้าพวกเราในขณะนี้แล้วด้วยหลอนประกาศกล้องไปในบรรดาพักพวกทุกคนที่กำลังเตรียมสดับฟังอยู่ด้วยใจจดจ่อและสุดพิษสวงพลางหันไปทางประตูทางเข้าแล้วร้องเรียกออกไปดังๆว่า เอาละพ่อตัวดีพ่อตัวที่มีค่ายิ่งกว่ามาหาสมบัติใดๆของพระอุมาทั้งหมดอันทำให้พวกเราต้องติดตามค้นหาแทบเอาชีวิตไม่รอดขอได้โปรดแสดงตัวออกมาทุกคนได้เห็นในขณะนี้หน่อยสิเชิญเข้ามาได้แล้วทุกคนกำลังต้องการเห็นคุณเข้ามาได้แล้วชั่วขณะจิตหนึ่งที่ความเงียบเข้าปกคลุมสถานที่ มันเป็นความเงียบขนาดแทบจะเรียกได้ว่าหากมีเข็มสักเล่มหนึง่งตกลงกับพื้นก็คงจะได้ยินเงาของบุรุษผู้หนึง่งก้าวพ้นม่านกัน้นทางเข้าห้องโถงใหญ่นั้นเข้ามาช้าๆและปรากฏกายยืนเด่นอยู่กลางห้องปรากฏชัดกับแสงไฟท่ามกลางทุกสายตาที่พุ่งตรงไปเป็นจุดเดียว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 ชายผู้ก้าเข้ามาปรากฏเด่นชัดกับทุกสายตาได้เคลื่อนช้าๆตรงเข้ามายังกลุ่มของเชษฐาอันเป็นกลุ่มที่ยืนกันอยู่ใจกลางหมู่คณะทั้งหมดใบหน้าเกรียมกระด้างนั้นยิ้มสว่างสดใสดวงตาทั้งคู่เป็นประกายไปยมไปด้วยปีติสมณัตระหว่างที่ทุกคนยังยืนนิ่งเหมือนถูกสาบให้เป็นหินไปชั่วขณะ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 แต่มีกัางวานชัดเจนแจ่มใสได้ยินไปทั่วว่าเป็นความยินดีที่สุดในชีวิตของผมยิ่งกว่าตายไปแล้วได้เกิดใหม่เมื่อผมได้มาพบเห็นคุณชายเชษฐาคุณชายกลางคุณชายยันและพวกเราอีกทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับอย่างที่ผมเองก็ไม่นึกฝันเช่นนี้เลยด ด, ดดดพิน เชษ่ยถาหลุดบากออกมาอย่างลืมตัวดังลั่นส่วนอนุชาและชัยยันอุทานออกมาว่าเฮ้ยและในช่วงติดต่อกันนั้นเองก็เป็นเสียงร้องทักอย่างแซ่สนนสับสนไปหมดจนฟังไม่ได้สับจากนั้นอินขยินสางปานายชวนและบรรดาลูกหาบทุกคนซึ่งบัดนี้กระโจนพรูเข้ามาไาลล้อมไว้โดยรอบเสียงเรียกนายนายนาย เอตโรลั่นไปหมดทั้งความเงียบสงัดภายในห้องนั้นระคนไปกระสำม์สเนียงแห่งความตื่นเต้นที่ไม่สามารถจะแยกออกไปได้อุย้ยนายรพินจริงๆแหละนี่ข้าไม่ได้ฝันไปเลยในท่ามกลางเสียงแซ่แซดฟังไม่ได้สับนั้นดูเหมือนจะเป็นเสียงตะโกนกึกกล้องของกระยินที่แหกปากออกมาดังกว่าเพื่อนรพินไพยวันในยามนี้เพียงแต่กราตาแวบ สำรวจดูบริวารเก่าของเขาที่กระโดดโลดเต้นกันอยู่รอบๆกายนิดนึงเท่านั้นจุดหมายสำคัญของเขาขณะนี้ก็คือเชษฐาอนุชาและช ย, ยันที่ยังพากันยืนอ้าปากค้างอยู่บุคคลถัดไปที่เขาก้มศีรษะลงโค้งคำนับคือคุณชายอนุชาวราริศและช ย, ยันอ น, นันตรัยผู้ได้แต่จ้องตาขมิงแทบประทุออกมานอกบ้า พินนี่คุณคุณจริงๆเหรอท่านหัวหน้าคณะเพิ่งได้สติคว้าต้นแขนทั้งสองข้างของเขาไว้แล้วเขย่าถามและล่ำาละลักด้วยอาการยิ้มอย่างสำรวมสุภาพและด้วยหยาดน้ำใสๆที่คลออยู่ในดวงตาจอมพรานก้มศีรษะลงอีกครั้งครับผมคุณชายและทุกท่านไม่ได้ตาฝาดหรอกครับผม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 ต่อมาก็เป็นอนุชาซึ่งเอื้อมมือมาคว้าไหลไว้ดึงตัวให้เข้าไปชิดรพินเป็นฝ่ายกอดไว้เองซึ่งอดีตพรานชดก็กอดรัดตอบแน่นที่สุดเฮ้ hey! รพินคุณจริงๆะระแหละครั้งหนึง่งคุณเป็นฝ่ายมาติดตามค้นหาผมแต่ครั้งนี้ผมกลับเป็นฝ่ายติดตามค้นหาคุณซึ่งผมก็ทำได้สำเร็จเหมือนกันดีใจเหลือเกิน นี่ดีชา ย, ยันบอกไม่ถูกเลยนะคุณอนุชาพูดเร็วหรือแทบจะจับศัพท์ไม่ได้ส่วนชา ย, ยันนั้นแยกเขี้ยวขาวเข้ามากระชากพรานใหญ่หลุดออกมาจากอ้อมกอดของอนุชาแล้วปั้นหมัดง้างขึ้นมีอาการเหมือนจะต่อยแต่แล้วกลับฉกมือข้างนั้นไปคว้าคอระพินไว้กระชากก็มากอดรัดแล้วหมุนบนไปรอบๆตะโกนขึ้นบา้าวมันเป็นไม่ได้ยังไงนี่ งงไปหมดแลวเว้ยไอเสือโผล่ไม่ยังไงไอผมนึกว่าคุณไตาหาเป็นนานแล้วนะเนี่ยไอติตามันเนี่ ย, ามมายก็หวังแค่เพียงมาเก็บกระดูกกลับไปเผานั้นแหละฮ่าฮาฮาฮาอุย้ยกระดูกแข็งตะแท้เลยคุณอุตรสารอดมาได้โยนก็ตั้งพบกันอีกอะระพินยังไม่อาจพูดหรือตอบคำถามใดๆแกใครเป็นกิจจลักษณะได้ในขณะนั้นได้แต่ยิ้มให้แกบุคคลทั้งสาม พร้อมทั้งพนมมือจะรดคางไหวอยู่เช่นนั้นขณะที่น้ําตาของเขาก็ไหลเป็นทางลงมาทั้งสองร่องแก้มด้วยความซาบซึง้งสำนึกในน้ําใจแห่งความห่วงหาอาทรของอดีตเจ้านายเก่าผสมกับความดีใจวิติปลื้มที่ได้พบเห็นหน้ากันอีกครั้งกลุ่มของเชษฐาก็อดที่จะน้ําตาไหลด้วยความตื้นตันไปซะไม่ได้การบูชาทักทาย จึงสับสนอลมานไปหมดไม่อาจเอาความได้รพินผละจากฝ่ายกลุ่มนายจ้างที่เขาเคารพนับถือชั่วขณะเดินไปที่หนานอินจับไหลอันแบบบางของแกขึ้นมาบีบแน่นกล่าวเสียงลึกเพียงสั้นๆว่าขอบใจมากลุงอินขอบใจอย่างที่สุดเลยแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ขยินเอามือตบลงไปที่แผงอกกว้างใหญ่ของมัน ขยินเจ้านะ่ะเป็นผู้ที่กล้าหาญและเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงฉันรู้น้ำใจของเจ้ามานานแล้วจากนั้นก็เดินเข้าไปกอดคอสังปาผู้ยังอ้าปากเบิกตาพองดูเขาในลักษณะตกตะลึงอยู่เช่นนั้นทักมาว่าดีใจนะดีใจมากเลยที่ได้พบเจ้าอีกครั้งสังปาหวังว่าเจ้าคงจะมีความสุขดีในมรกกนครแห่งนี้ ฉันกลับมาในคราวนี้ก็หวังที่จะได้พบเจ้าด้วยนอกเหนือไปจากพบแง่ทรายกับนายชวนและพวกลูกหาบอีก9้าคนอันล้วนเป็นคนในหนองน้าแห้งของเขาเองระพินกอดทักทายแล้วกล่าวชมเชยโดยทั่วหน้าในการที่ทุกคนได้เสียสละมากับคณะเจ้านายในครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดก็ใช้โยโหร้องต้อนรับเขาอึงคะนึงไปหมดอึกคตึกครึกโครมไปตลอดทั้งบริเวณของปราศาสต์อันเป็นที่พัก จนกระทั่งพวกพนักงานและทหารที่อยู่เวรยามวิ่งมาจุกช่องประตูมองสารวจเข้ามาแต่พอเห็นว่าเป็นการพบป่าทักทายระหว่างพวกอาคันตุกะที่มาถึง ม, ม ร, กรกรนครกันเองก็พากันยิ้มยิ้มแล้วผลักจากไปหมดโดยไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรอีกระหว่างที่ระพินกำลังเดินทักทายกับคนของเขาโดยทั่วหน้าทุกคนอยู่นั้น ดารินก็ทำหน้าที่อธิบายให้ฝ่ายพี่ชายฟังคร่าวๆก่อนล่วงหน้าว่าหล่อนได้พบกระพินในลักษณะไหนอย่างไรจนกระทั่งหล่อนเป็นฝ่ายชักชวนให้เข้ามาพบกับพักพวกทั้งหมดซะก่อนในตอนใกล้รุ่งคืนนี้อึดใจใหญ่ที่เชษฐาอนุชาและชัยยันทำหน้าที่ซักซายน้องสาวคนเล็กโดยปล่อยให้จอมพรานเดินไปทักทายขนันอินขยินส่างปา และคนอันเป็นลูกบ้านหนองน้ำแห้งซึ่งทำหน้าที่เป็นลูกหาบมาในครั้งนี้จนครบถ้วนเป็นการคร่าวๆไปก่อนสุภาพบุธธรุษไพรอันเป็นตัวการสำคัญให้ฝ่ายของเชษฐาต้องเดินทางติดตามมาก็หันกลับมาทางฝ่ายอดีตในจ้างอันเป็นที่เคารพรักของเขาอีกครั้งทุกท่านครับผมไม่ทราบจะเริ่มต้นยังไงดีมันมันตื้นตันไปหมดแล้วแหะครับ สิ่งแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือผมรู้สึกเป็นหนี้พระคุณของทุกท่านนะครับเป็นหนี้อย่างสูงสุดจนสุดที่จะกล่าวได้ที่ทุกท่านอุตส่าห์เหนื่อยยากสละชีวิตออกติดตามผมมาในครั้งนี้และเมื่อได้พบหน้ากันเช่นนี้พร้อมหน้าผมก็มีแต่ความสุขที่สุดในชีวิตสุขสมหวังอย่างที่ไม่เคยปรากฏในชีวิตของผมมาก่อนเลยเท่าที่กาเนิดเกิดกายมาเป็นพรานป่าที่ชื่อระพินไพรวัน ที่ทุกท่านให้ความเมตตาปราณีตอบผมจนเกินกว่าที่ผมจะคาดคิดไปถึงครับหางเสียงของระพินสั่นเคลือเป็นครั้งแรกและน้ำตาคลอเบ้าออกมาอีกมีอาการเหมือนจะสุดตัวลงไปกราบที่แทบเท้าของเชษฐาและอนุชาแต่ทั้งสองก็ฉุดแขนร่างตัวเขาไว้ก่อนประคองให้ยืนตรงขึ้นนี่ระพินคุณเองก็เคยมีบุญคุณต่อชีวิตของพวกเราทุกคนมาก่อนแล้ว จนพูดไม่ได้ว่ามันมากมายสักแค่ไหนเรามาตามคุณครั้งนี้ด้วยความรู้สึกที่มาตามเพื่อนแท้ของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้แล้วไม่ต้องพูดอะไรกันอีกอ่ะไม่ต้องพูดอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องที่จําเป็นดีกว่าคุณคุณเป็นไงมั่งละ่ะปลอดภัยเรียบร้อยดีเหรอหมายถึงพวกของคุณทั้งหมดด้วยอ่ะเชิดาเอ่อยขึ้นช้าๆปนยิ้มละไมาภายหลังจับปรับสติอารมณ์แห่งความตื่นเต้นยินดีลงได้แล้ว ภายหลังที่เกือบตายเกือบพินาศกันทั้งคณะนับครั้งไม่ถ้วนสวรรค์ก็ยังไม่ทอดทิ้งผมและฝ่ายนายจ้างของผมนะครับคือเราก็ปลอดภัยเรียบร้อยดีพอสมควรจนกระทั่งมาถึงที่นี่นะครับน้อยอธิบายอะไรให้เราทราบมาบ้างแล้วพอเป็นเราเราแต่มันก็ยังไม่ละเอียดนักทุกอย่างก็รู้สึกจะยังสับสนจับต้นชนปลายไม่เคยจะถูกเลยที่จูจ่ๆก็เห็นคุณโผลอกมาให้เห็นแบบนี้ในเวลานี้ โดยมีน้อยมาปลุกให้พวกเราตื่นขึ้นอนุชา พ, พูดขึ้นโดยเร็วยังไม่หายงงชายันก็หัวเราะร่าออกมาพร้อมกับบอกว่านี่อย่ามัวแต่มาพูดกันคนละคำสองคำแบบนี้เลยต่อให้ตะวันขึ้นก็ยังคงไม่รู้เรื่องกันอยู่อหะอ่านั่งลงนั่งลงระพินนั่งลงกลางวงของพวกเรานี่แหละแล้วก็บอกเล่าเก้าสิบกันให้เป็นกิ จ, จลักษณะซะดิพร้อมกล่าว อดีตนายทหารปืนใหญ่สหายร่วมตายในยุคก่อนของเขาก็กดไหลระพินให้นั่งลงไปกลางวงณบริเวณที่อาศัยพักนอนของฝ่ายตนซึ่งจอมพลานก็ปฏิบัติตามโดยดีบัดนี้ระพินนั่งอยู่ใจกลางวงล้อมของฝ่ายนายจ้างทั้งหมดโดยมีดารินนั่งขัดสมาธิจับตามอง โดยสีหน้ายิ้มยิ้มอย่างชื่นชมอยู่ที่เขาตลอดเวลาโดยหล่อ น, นั่งเยืองอยู่เบื้องหน้าในกลุ่มของฝ่ายพี่ชายส่วนพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายรวมทั้งสางปลาก็ล้องวงเข้ามาอีกชั้นหนึ่งทุกคนมีประสาทที่ตื่นพร้อมหมดแล้วไม่มีใครคิดที่จะหลับนอนอีกต่อไปเมื่อมองเห็นหน้าระพินโผล่เข้ามาอย่างกระทันหันโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวล่วงหน้าก่อนเช่นนี้ ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจอมพรานเอ่ยขึ้นปนหัวรอเบาๆหันไปทางชายันและส่งมือให้จับผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งครับสําหรับการได้ลูกชายของคุณชยันชัยยันหัวรอลั่นจับมือเข้าบีบเขย่าโดยแรงผมก็ดีใจอย่างที่สุดเพื่อนยากรวมทั้งแม่ของเด็กด้วยนี่มเมย์ขาฝากมาบอกด้วยนะในกรณีที่ตาตามตัวคุณพบ สิ่งที่เขาฝากมาบอกก็คือขอบคุณคุณอย่างสุดชีวิตที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อเป็นการป้องกันเขาไว้ไม่ทำแทงลูกของเราในระหว่างเดินป่าอยู่ด้วยกันครั้งนั้นคุณคือพ่อยกของเด็กนะระพินครับด้วยความภาคภูมิใจและเต็มใจยิ่งครับผมได้เรียนให้คุณหญิงทราบแล้วเมื่อคุณหญิงไล่ผมฟังถึงเรื่องเมได้คลอดลูกชายก่อนที่คุณชายยันจะเดินทางติดตามมาเนี่ย นี่คราวนี้คุณเห็นหรือยังอะกระพินว่าพวกเราทั้งหมดมีแต่ความตื่นเต้นดีใจที่ได้พบเห็นคุณเสเดียวนี้ไม่เห็นมีใครคิดที่จะไล่เหยียบคุณเลยสักคนแม้กระทั่งพี่กลางเองซึ่งตามปกติแล้วพี่กลางนะ่ะหมายมั่นปั้นมือไม่มากทีเดียวที่อยากจะเหยียบคุณในแบนต์ตาแต่เมื่อพบหน้าดารินร้องบอกมาเบาๆปนหัวรเราะรื่นทำให้ฝ่ายพี่ชายงงไม่รู้เรื่องหันไปถาม เมื่อน้องสาวคนเล็กอธิบายให้ทราบว่าระพินได้กล่าวเป็นเชิงรำพันในข้อกังวลไว้กันหล่อนเช่นไรก่อนที่จะยอมเข้ามาพบอย่างที่พักในเวลานี้ทั้งสามคนก็หัวรอชอบใจ <c oughs> ก็คิดอยู่มากเหมือนกันเละคุณว่าพวกเราควรจะรุมสกรรมคุณคนละซักกี่ตุ๊บถ้าตามพบอะ่ะชัยยันว่าเอื้อมือมาผลักไล่เบาๆแต่พอเห็นหน้าเขาจริงๆนะคุณมันก็ดีใจซจะลืมคิดไปหมด ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเห็นน้อยบอกกับเราจะ ก, กี้นี้ว่าได้พบกับคุณก่อนแล้วกลางอุทยานอย่างบังเอิญเดี๋ยวถ้าเรามารู้ทีหลังว่าคืนนี้คุณกับ น, น้อยได้พบกันก่อนแล้วแต่ปกปิดไม่ยอมให้พวกเราทั้งหมดรู้และไม่มาพบพวกเราทั้งหมดนี่สัก่อนโดยปล่อยให้เวลาล่วงไปถึงเช้าแล้วค่อยมาพบแล้วก็คุณก็คงโดนเหยียบแน่ลนะและน้อยเองก็เหมือนกันก็เพิ่งจะบอกกับเราเอาเมยหยกหยกนี่เองว่าโดยแท้จริงแล้ว เมญานีได้ยอมบอกเขาหมดแล้วว่าคุณและพวกได้ขึ้นมาเหยียบหัวถนนพระศิวะอันเป็นเวลาเดียวกับที่ทางฝ่ายเราน่ะเหยียบขึ้นกลางถนนและจักรราชก็ส่งผู้เท่าอราชุนกับพรหมเมฆไปรอรับซึ่งหมายกำหนดการของฝ่ายคุณจะมาถึงที่นี่ร า, ราวเที่ยมของวันพรุ่งนี้แต่น้อยไม่ยอมบอกพวกเราเลยเก็บรู้เงียบไว้คนเดียวพวกเรามาถึงที่นี่แล้วก็ยังห่วงกันอยู่เลยว่าคุณอาไปหลงอยู่ที่ไหน จะมาถึงมรกตนครหรือเปล่าจะมาถึงยังไงแล้วมาถึงเมื่อไรมันก็ได้แต่คิดกังวลอยู่คุณรพินได้แต่ยิ้มและทุกคนในคณะของเชตฐาก็เพิ่งจะเห็นอดีตครันนาทางผู้นี้ยิ้มอย่างเปิดเผยบริสุทธิ์และเป็นการยิ้มง่ายที่สุดแตกต่างไปจากปกติวิสัยประจำตัวของเขาซึ่งเคยพบเห็นมา ก, ก่อนครันแล้ว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 มาถึงมรกรนครีหลังโดยล่าช้ากว่าฝ่ายของเชษฐาเล็กน้อยรวมทั้งเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่ทั้งฝ่ายตนเองและฝ่ายของดารินถูกเมยานีออกอุบายหาทางให้ได้ไปพบเห็นกันสะก่อนที่ศาลาปาริชาติยามดึกสงัด ข, ของคืนนี้โดยที่ต่างฝ่ายก็ต่างไม่รู้ตัวเลยเชษฐาอนุชาและช ย, ยันสอบสักเพิ่มเติมจนได้รายละเอียดทั้งหมด เท่าที่จะสแสวงหาออกมาได้และเมื่อนั้นท่านหัวหน้าคณะก็สั่งให้สางปลาเข้ามาทำหน้าที่รินเมรัยหมักชั้นเลิศดของราชฐานมรกฎนครที่บรรจุอยู่ในคนโถลงจอกแจ ก, กจ่ายไปยังทุกคนรวมทั้งรพินด้วยแล้วยกขึ้นชูประกาศขอให้พวกเราทั้งหมดมาดื่มร่วมกัน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 ในการดื่มครั้งนี้พวกเราขอดื่มให้แกเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และเมตตาปราณีเราคือพระศิวะและพระอุมาเทวีด้วยทุกคนรวมทั้งพรานพื้นเมืองและส่างปลาด้วยต่างยกจอกไม่ไรขึ้นดื่มจนเกลี้ยงชาดสำหรับเจ้าส่างปลาประกาศเสียงแหลมมาว่า สร้างปาขอดื่มแกลูกชายของนายทหารชัยยันและแม่มารีอาด้วยขอให้นายน้อยๆของสร้างปาจงเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญเหมือนพ่อและแม่บรรยากาศณที่นั้นเต็มไปด้วยความเปรมปลื้มสวนเสเฮฮาบ่เจ้าสางปาขี้ลิงนี่กลายมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุข และคงจะเป็นท่านบุตรธิสมาชิกส่างปลาอีกตำแหน่งหนึ่งแน่ๆในเร็วๆนี้แม่ขหคารมคมคายผิดหูไปทีเดียวเอาฉันขอดื่มให้กับตำแหน่งใหม่ของนายอีกถ้วยหนึ่งว่าแล้วชั ย, ยันก็รินลงจอกของตัวเองชูให้ส่างปลาพร้อมกับดื่มมีครั้งท่ามกลางเสียงหัวเราะคึรืร้นของฝ่ายเจ้านายทั้งหลายยกเว้นพวกพรานพื้นเมืองและตัวส่งปลาเองซึ่งยิ้มแห่ง กระพริบตาอยู่ปริ ป, ปริปเพราะไม่เข้าใจที่ชั ย, ยันพูดอ่ะก็เป็นนั้นว่าแม้แต่ฝ่ายคุณเองขนาดนี้ก็ยังไม่ได้ระค่ระคายอะไรจากจักรราศหรือแงซายใช่ไหมระพินเชษฐากล่าวถามระพินมาอารมณ์อันเคยเครียดหนักมาโดยตลอดของท่านหัวหน้าคณะบัดนี้คลี่คลายปลอดโปร่งลงเกือบหมดสินนะ้นแล้วครับแงซายยังเคยลึกลับยังไง คงลึกลับเหมือนเดิมแหะครับแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้เราควรจะได้พบเขาและคงจะทราบเหตุผลว่าเหตุใดเขาถึงยังไม่ปรากฏให้ทั้งฝ่ายคุณชายและก็ฝ่ายผมได้เห็นสักทีในทันทีที่เราเหยียบย่างมาถึงที่นี่ระพินตอบอาการของเขาไม่รู้สึกมีกังวลอะไรนะักเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะนั้นเสียงไก่ขันกระชัน้นแววทีเข้ามาทุกขณะ ครานใหญ่ขยับตัวเอ่ยบอกกับทุกคนว่าอ่ะรู้สึกมันใกล้สว่างเต็มทีแล้วลครับผมขอตัวกลับไปยังที่พักฝ่ายผมก่อนนะครับผมยังไม่อยากให้ฝ่ายของดอร์สเตลลีเขาสงสัยเลยรู้สั ก, ก่อนว่าผมได้รอบมาพบปากกับฝ่ายของคุณชายในคืนนี้เอาไว้พรุ่งนี้เราค่อยมาพบกันอีกครั้งเป็นทางการซึ่งเข้าใจว่าทางมรกรกนเขาคงจะมีหมายกหนดการสาหรับเราทั้งสองฝ่ายแล้ว เชีถาพยักหน้าช้าๆอย่างเข้าใจส่วนอนุชาบอกมาว่านี่ความจริงแล้วนะเราอยากจะยึดตัวคุณไว้ที่นี่เลยนะแต่ทางฝ่ายผมเข้าใจความรู้สึกของคุณและพวกเขาได้ดีพอเพราะฉะนั้นคุณจะไปก็ไปเถอะแล้วพบกันพรุ่งนี้ผมยายสัางปลาไปส่งคุณจนถึงปราศาสตรหน้าอันเป็นที่พักของฝ่ายคุณว่าแล้วอนุชาก็หันไปสั่งการกระสังปา ซึ่งเจ้านั่นก็กระวีกระวาดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจยิ่งระพินสบตาดารินนิดนึงแล้วถอยห่างจากกลุ่มของขาาคณะพักออกมาขณะนั้นเทถาก็ร้องถามมาเบาๆว่านี่ในจ้างของคุณเขาจะรู้บ้างไหมนี่ว่ามีฝ่ายของพวกเราตามหลังคุณมาและขณะนี้ได้มาดักรอคุณอยู่ที่นี่ก่อนแล้วและถ้าเขาพบว่าฝ่ายเราตามมาจากการพบกันพรุ่งนี้ พวกเขาก็จะมีความรู้สึกที่ไม่พอใจยังไงมั่งหรือเปล่าคุณคิดยังไงระพินสุภาพบุรุษไพรเชงนักนิดหนึง่งแล้วตอบมาอย่างมั่นใจว่าถ้าเขารู้ว่ามีพวกของผมตามมาในระยะการเดินทางต้นๆผมก็คิดว่าพวกเขาคงจะไม่พอใจแหละครับแต่ถ้ามาพบอปลายทางซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ทอดอะไรต่อชีวิตและแบบนี้ผมแน่ใจว่าเขา น่าจะตื่นเต้นยินดีพวกนี้ปฏิบัติงานลับในด้านจรชนก็จริงครับแตอ่อุปนิสัยใจคอส่วนตัวแล้วก็พอจะครบได้ทุกคนละ่ะผมเชื่อว่าพวกเขาจะดีใจที่ได้พบฝ่ายของคุณชายมากกว่าไม่พอใจครับอ่ะถ้าเป็นอย่งงางนั้นก็ได้ได้ก็ดีใครก็ตามที่เราชีวิตมาเหยียบแผ่นดินมรกรกนครได้นี่ก็ต้องนับว่ามีปฏิหารผิดมนุษย์มนาละ่ะ จะขืนมาวางตัวเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันอีกมันก็ถอยคนเต็มทีเอาละเราอนุญาตให้คุณไปได้แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะระพินระพินไพรวันยกมือขึ้นแตะปีกหมวกวันทยาหัดให้แก่เจ้านายทุกคนแล้วเดินผละออกจากห้องนั้นมาพร้อมกระสั่งปลาในทันทีเป็นเวลาสายพอสมควรทีเดียว เหมือนทางฝ่ายมรกฎนครจะปล่อยให้คณะอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติซึ่งย้อนกลับมาเยือนได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่โดยไม่ได้แจ้งหมายกำหนดการใดๆมาให้เป็นที่รบกวนแม้จะผ่านเวลาอาหารเช้าไปแล้วก็ยังไม่มีวิเแววใดๆจากจักรราษหรือราชินีเมยานีส่งข่าวมาถึงคณะของเชษฐาคงมีก็แต่ทาหารรักษาปราสาทและชาวพนักงานหญิงชาย ที่คอยรับใช้ปรนิบัติอยู่เป็นปกติเหมือนเดิมเท่านั้นซึ่งคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ให้ประโยชน์ใดๆเลยต่อการที่จะซักถามถึงสิ่งอื่นใดนอกจากปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประการเดียวสังปาผู้ซึ่งอนุชาอนุญาตให้ทำหน้าที่ไปส่งพรานใหญ่ระพินกลับมายังที่พักของฝ่ายเขาตั้งแต่ตอนใกล้รุ่งก็ปรากฏว่าหายลับไปเลยไม่ได้กลับมาอีก ซึ่งเชษฐาก็ให้ความเห็นกับทุกคนว่าอาจจะเป็นพระเจ้าสาังปาไปพบเข้ากับพรานคู่ใจของรพินอันเป็นเกลือเก่าสี่คนคือตะคาจันเกิดแล้วก็เสยก็เลยมัวแต่สนทนาปราัยกันอยู่ตามประษาคนเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนและได้มาพบเห็นกันเข้าอีกอย่างไม่คาดฝันซึ่งถ้าหากสั่งปลาได้โผล่ก็ไปทักทายกับพรานของรพินสี่คนนั่นเมื่อไรก็น่าจะแปลว่า ฝ่ายบริกันทั้งหมดควรจะได้ทราบเรื่องราวหมดแล้วว่าคณะติดตามรพินได้มาถึงมรกรกนครพร้อมอยู่ก่อนแล้วนับตั้งแต่เวลาที่รพินได้ขอแยกตัวกลับออกไปจากที่พักฝ่ายของเชษฐาทั้งหมดแม้กระทั่งพวกลูกหาบไม่มีใครคิดที่จะหลับนอนกันอีกเลยเพราะช่วงเวลาไม่นานหลังจากนั้นท้องฟ้าก็สว่างทุกคนเตรียมตัวพร้อมและสนทนาหารือกันอยู่ คงมีแต่ดารินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ภายหลังรับประทานอาหารเช้าแล้วหล่อนก็แอบเข้าไปงีบในห้องที่จัดไว้ให้เป็นห้องส่วนตัวของหล่อนเพื่อพักเอาแรงด้วยจิตใจผ่องแผ้วแจ่มใสในชุดเครื่องแต่งกายที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวปฏิบัติการหรือจะไปที่ไหนก็ได้ในทันทีประมาณสิบเอ็ดโมงเช้ามีเสียงฝีเท้ามา และเสียงเดินยำเท้าของทหารกลุ่มหนึ่งเคลื่อนใกล้เข้ามายังตำแหน่งที่พักฝ่ายของเชษฐาซึ่งเฝ้ารอคอยฟังข่าวอยู่ก่อนแล้วด้วยความกระวนกระวายใจตามเวลาที่ผ่านไปต่างสวนออกมาจากห้องที่พักตรงไปยังปากทางขึ้นของปราศาสตร์บริเวณสวนหน้าซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ชายร่างใหญ่สองคน อันขีม่ม้านำหน้าขบวนมาก้าวลงจากหลังมาพร้อมทั้งเดินตรงเข้ามาคนหนึ่งผมขาวเป็นสีดอกเหลาอยู่ในเกราะสีเงินยวงเป็นเกรดระยับต้องแสงตะวันยามสายให้เห็นเพียงชั่วแวบเดียวเท่านั้นทุกคนที่เคยผ่านมรกรครมาก่อนแล้วในครั้งนั้นก็จำได้ทันทีวันนั่นคือผู้เท่าอรชุน อดีตผู้นำของกองกำลังฝ่ายประชาชนที่ต่อสู้กับทรราชซึ่งเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาอย่างโชคชนแล้วในครั้งนั้นส่วนอีกคนหนึ่งที่ก้าวเยื้องหลังไปเล็กน้อยคือพรมเมตหนึ่งในจานวนขุนศึกที่ร่วมประสานงานกู้ราชบัลลังค์คืนให้แก่ราชวงศ์เทพซึ่งทั้งสองเป็นผู้ที่นำทหารแยกไปดักรับฝ่ายของรพินที่ต้นทางของถนนพระศิวะ ระหว่างที่เชษฐาอนุชาและชัยยันกำลังจ้องเขม็งเพื่อให้แน่ใจอยู่นั้นดารินผู้วิ่งตามออกมาภายหลังจากห้องที่หลบเข้าไปงีบอยู่ก็ร้องลั่นออกมาอย่างดีใจว่าท่านอรชุนพระเมษใช่ผู้เท่าอรชุนจริงๆนั่นแหละแต่เอ๊ะทำไมเมยานีถึงไม่ได้มาด้วยนะเชิฐถาพึมพมออกมา แม้จะล่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้วก็ตามแต่อดีตขุนศึกคู่บัลลังของราชวงศ์เทพก็ยังมีสรีระอันเข้มแข็งองค์อาจปราดเปรียวเขาเก้าวสวบสวบอย่างรวดเร็วใกล้เข้ามาตามลำดับเสียงฟักดาบแกว้งกระทบดังเป็นจังหวะโ ด, ดยมีพรมเมตและทหารติดตามอีกสามคนก้าวติดมาเบื้องหลัง สีหน้าอันเต็มไปด้วยอำนาจและความเฉียบขาดนั้นปรากฏรอยยิ้มให้เห็นมาแต่ไกลจนกระทั่งที่สุดก็มาหยุดยืนอยู่ในกลุ่มของคณะอาคันตุ ก, กะจากแดนไกลซึ่งยืนจ้องตะลึงกันอยู่แล้วผายมือทั้งสองกว้างออกในลักษณะอาการของการต้อนรับพร้อมกับเสียงฮ้าวกองกังวานทักทายมา ในนามของจักราธิราชเจ้าและราชินีเมญานีตลอดจนชาวมรกรนครทุกชีวิตขอต้อนรับพวกท่านทั้งหลายที่อุตสาบากบันวกกลับมาเยี่ยมพวกเราทั้งหมดในมรกรนครแห่งนี้อีกครั้งขอให้พระมหาเทพพุิ์สิทธิจงประทานพรให้แก่พวกท่านทุกคน